บรรณานุกรมมหามากุฏราชวิทยาลัยพระวินัยปิดกและอัถกถาจัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ200ปีแห่งพระราชวงศ์จั ก, กรีกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2525กรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหามากุฏ ราชวิทยาัรมหามากุฏราชวิทยาัรพระวินัยปีดกมหาวิพังพร้อมอัฐกถาเล่มหนึ่งภาคสากรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหามากุฎราชวิทยาลรัย25 2525ห มหามากุฏราชวิทยาลัยพระวินัยปีดกมหาวิพังพร้อมอัฐกถาเล่มสองภาคสองกรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหามากุฏราชวิทยาลัย25 2525รมหามากุฏราชวิทยาลัย พระวินัยปิดกมหาวัคพร้อมอั ธ, ธกถาเล่มสี่ภาคหนึ่งกรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหามากุฏราชวิทยาลัย25 2525มหามากุฏราชวิทยาลัยพระวินัยปิดกมหาวั์ พร้อมอัฐกถาเล่มหภาคสองกรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย25 2525รมหามกุฏราชวิทยาลัยพระวินัยปิดกจุลวัฒน์พร้อมอัฐกถาเล่มเจ็ด ภาคสองกรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย2525ยหพระพุทธโคสะเถระกังขาวิตาราณีอัตกถาบาลีกรุงเทพมหานคร รงพิมพ์มหาจุลาลงกรราชวิทยาไรสองพันห้า้อยสามสิบเก้าพุทธโคสเทระวิสุทธิมักบาลีไทยภาคหนึ่งฉบับภูมิพระโรภิกุกรุงเทพมหานครลงพิมพ์การศาสนา พรามหาสัมพันธ์ปิยะธรรมโมและคณะกังขาวิตรณีอัฏกถาแปฉบับสำหรับตรวจและแก้ไขไทยเอกสารภษาลีบุตรเทระกังขาวิตรณีอภิณวดีกาบาลี กรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหาจุลาลงกรราชวิทยาไรสองพันร้ยยี่สาภษาลีบุตรเทระสารัตถีปณีดีกาบาลีกรุงเทพมหานครรงพิมพ์มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัย2538 พระมหาอาคมธรร ม, มาคโมวินยะสังคหะอัตกถาแปรกรุงเทพมหานครมปท2อ4 6อพระมหาอาคมธรร ม, มาคโมสารัตถีปณีดีกา ฉบับมุนนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาไรยแปลโดยอาจารย์สิริเพชรชัยกรุงเทพมหานครลงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์สอพาริเอดพระอมาราพิรักิตะมหาเทระอมาโรเกิดสัตตาปัพพะ ปุพพสิกขาและปุพพาสิกขาวันนากรุงเทพมหานครลงพิมพ์มหากุฏราชวิทยาลัย2540ร25ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2542่งกรุงเทพมหานครนานมีบุ๊คพับบิเคชั่น2546หมายเหตุในหนังสือเล่มนี้สำหรับหลักฐานอ้างอิงใช้อักษรย่อเพื่อความสะดวกในการเรียบเรียงถ้าย่อ วิจุดมหาหทับหหหถึง6ให้ทราบว่าวินัยปิดกมหาวัคเล่มห้าหน้าห5 5ห้าบหถึง5หฉบับมหามกุฏราชวิทยาไรเป็นต้นส่วนเล่มอื่นก็เช่นเดียวกันผู้ศึกษาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ตรวจดูตามอาคตตะสถานที่ได้อ้างอิงไปนั้นเถิด